ส่วนเอ็งจะใช้ไม่ใช่มันก็หรือเองนะข้าถือว่าข้าให้ตามวาระของพ่อแล้วแล้วเอ็งจะคิดว่านี่เป็นเงินสปกปรกเงินที่ปล้นเข้ามาก็ตามใจเองแต่ข้าอยากจะเตือนสติเองว่าที่เอ็งเป็นเอ็งอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเงินสปกปรกที่เอ็งรู้สึกขยะขยะงี่หรือวะเอ็งลองคิดดูให้ดีๆกันแล้วกันพ่อจะไปนานแค่ไหนข้ายังไม่รู้เหมือนกันอาจจะสักอาทิตย์ดึงหรือสักเดือนดึงหรือมากกว่านั้นแต่ถ้าข้าไปนาน ขาให้คนของข้าเอาเงินมาให้เองใช้เองไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่ได้ห่วงเรื่องเงินหรอกพ่อเองพูดได้แต่เมื่อถึงเวลาที่เองเงินขาดมือจริงๆแล้วก็เองจะคิดถึงข้าใจจะขาดทีละไอ้หมูซอเยไม่อย่าพึ่งแน่ใจผมแม่ใจพ่องันเองบอกข้ามาทีสิบอกอะไรล่ะครับถ้าเองเงินมันหมดจริงๆนะไม่มีเงินใช้แล้วข้าหายไป เองจะทํายังไงกับชีวิตของตัวเองอย่าบอกเราว่าจะเจริญตามข้าไปปล้นเขาไม่มีทางผมไม่มีวันทําอย่างพ่อเด็ดขาดถ้างั้นเองจะทํำยังไงผมก็จะปลูกผักกินเองโอจับปลาตามคลองมากินประเสริฐเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเหมือนบ้านเพราเท่าครับโอ้โเอ็งแน้ใจเหรอวันนี้เอ็งพูดมาทั้งหมดเนี่ยเอ็งทําได้จริงๆทําได้สิพ่อมั่นใจเหรอว่มั่นใจโอ้แล้วข้า จะคอยดูเอแล้วกันพ่อได้เห็นแน่พ่อกลับมาหาผมคราวหน้ารับรองพ่อจะได้เห็นไก่เต็มเล้าโอ้หมูเต็มคอกฝันเพอเพออาจจะมีวัวด้วยก็ได้เ <c oughs> ออข้าจะคอยดูคอยดูพ่อได้เห็นแน่ครับ <c oughs> งั้นข้าไปแล้วนะพ่อเอาเงินของพ่อกลับไปด้วยซะเฮี hey! ข้าบอกแล้วกายข้าจะวาไว้บนโต๊ะข้าทำหน้าที่ของพ่อส่วนเองเป็นลูกมีหน้าที่รับเงินของข้าไป แล้วเองจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเองแล้วนี่นะข้าให้แล้วไม่อยากใช่ที่ว่ามันเป็นเงินสุกปลกจะเอาไปโปรยทิ้งในตลาดในอำเภอก็ได้มันมีใครว่าอีกล่ะเว้ยไอ้มูซ้อคือว่าผมเอาล่ะข้าไปละพ่อดูแลตัวเองด้วยล่ะผมเป็นห่วงคดีลูกพูดด้วยความหมย่าขายแล้วรู้สึกปราดปลื้มใจสุดๆล่ะ ผมเป็นพ่อเป็นแม่ไม่อยากได้อะไรจากลูกนักแม้แต่เงินทองก็มันสําคัญกับความผูกใหญ่คําพูดดีๆสักประโยคนึงแค่นั้นมันก็ปราพื้นเนบอกไม่ถูกแล้วพ่อือพ่อเป็นอะไรปล่าครับผมเห็นพ่อยืนนิ่งจ้องหน้าผมนะผมพูดอะไรผิดไปหรือพ่อเหรอเองพูดดีมากมือซอผมนั่นเหรอพูดดีือ ข้าดีใจที่เองจะเป็นห่วเป็นยายข้าอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องห่วงใยนี่เองผมเป็นลูกผมก็ต้องห่วงพ่อแม่สิเพราะว่าจริงไหมจริงดีแล้วที่เองรู้สึกอย่างนั้นเองก็เหมือนกันนะได้มือซอผมทำไมครับพ่อดูแลตัวเองอย่าเจ็บอย่าจนให้รู้ตลอดเวลาว่าข้ารักและห่วงใยเองมากครับพ่อขาไปนะนะ พรวพ่อผมไม่ไปส่งเ อ, อ้วไม่ต้องไม่ต้ององอเดี๋ยวอยากได้มือถือสักเครื่องไหมมือถือือจะให้ผมโทรหาใครล่ะพ่อใครก็ได้เผื่อว่าต้องใช้ขึ้นมาไอ้บนดอยมันเขาแบบเนี้ยไปหาตู้โทรศัพท์ที่ไหนแล้วแล้วโทรติดเหรอบนดอยอ่ะไม่มีสัญญาณนี่นะเอซมันมีเป็นบางจุดจ่าไวมา้มะข่าให้อ่ะอืม พ่อไปได้มาจากไหนอ่ะมือถือเครื่องนี้น่ะอย่าถามเลยนะ่ะข้าให้เ อ, เองเองก็รับไปซะถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาไปผมเอาก็ได้อืมเอาไปสิครับพ่ออ้าขาไปแล้วลนะ่ะเดี๋ยวพ่ออะไรอีกละ่ะนี่เป็นบัตรเติมเงินใช่ไหมอืมใช้ระบบเติมเงินเองก็ไปซื้อบัตรเติมเงินได้อำเภอลนะตามร้านสะดวกซื้อนั่นแหะรู้จักเห็นยว่ารู้ครับพ่ออืมดี ไปแล้วครับพ่อพ่อได้มาอย่างไรล่ะเนี่ยมือถือเครื่องเนี้ยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยไม่เคยใช้มือถือเราจะใช้เป็นไหมเนี้ยลองดูงานเนี้ยไม่เป็นก็ต้องเป็นแล้วล่ะแต่เอ๊จะโทรคุยกับใครล่ะอยู่บนดอยแบบเนี้ยไม่มีใครมีมือถือสักคนนึงเอาเหอะเอาไว้ก่อน ส่วนจะใช้โทรหาใครค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันพ่อนะพอ่พอเ<อ><อ>มื่อไหร่จะเลิอก อ, อาชี พ, พ<อ>ปล้นจี้สักทีก็ไม่รู้สินะ รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ชีวิตที่ผ่านพบนีลบย่อมมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดินกำลังใจอย่าอ่อนรักเราไม่กรอนต้อแพนงแน เขาไม่อาจความสายทา ง, งที่ทำได้ความหวังยังติ้งคายเก่าตายไม่เสริมชีวิตที่ผ่านพบมีลบยังมีเธิขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจย้า By my side. อาจจะเคยมีคนที่เคยมองตากัน，แต่ไม่เคยสใจ。อจเคยมี。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 อยู่จะพร้อมให้ความผูกพันจริงใจใครสึกคนที่เป็นคนพิเศษช่วยเหเงาที่มีดจางหายไปช่วยเป็นสสยสว่างในหัวใจ ขอแค่ใจสักคนที่รักจริงก็ชีวิตชฉันยังวางล่า เป็นสายสว่างให้หัวใจอยากจะขอแค่ใจสักคนที่รักจริง รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment แม่ไม้ประสูติโลูกตาบ้านหลังนี้ปลุกบนเนินเขามองแกลออกไปจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนจนไกลาตาออไปฝ่าเขาและนาอปลยยังหนั้น่นอยู่แทำให้อากาศที่นี่สดชื่นจังใจมากที่จะอากาศในเมืองแลยสิ้นเชิงเราอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่เราบับรู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นจึงบอกไม่ถูกแต่ถ้าที่นี่มีอาหารไม่รูไรอย่างที่บ้านก็ตาม ที่นี่กินแต่ผักสลัดผักมีไก่กินมั่งส่วนใหญ่จะเป็นผักไข่ไก่หรือไม่ก็ปลาจากคลองมั่งเห็นชาดอยต่างขมักขเม่นไปเก็บใบชามั่งเข้าป่าไปหาอาหารป่ามั่งรู้สึกดีปีกแบบนึงลืมชีวิตในเมืองไปเลยชีวิตในเมืองต้องรีบตื่นรีบเร่งทํางานแข่งกับเวลาทําทุกอย่างเพื่อหาเงินให้ได้เยอะๆเป้าหมายของคนในเมืองก็คือมีเงินเยอะๆอยากได้อะไรก็ได้ระบมิดได้ ไ, ได้ดเงินเี็นอย่างเดียว ไม่เหมือนที่นี่ที่นีดูนว่าเงินจะไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีใครใช้เงินกันเลยทุกคนอยู่ด้วยวิถีชาวดอยกินอยู่อย่างชาวดอยชาวดอยแม่สระเอ็วิถีชีวิตที่น่าชื่นชมสละเกินอ้าว <c oughs> พ่อเท่าื <c oughs> ากลับบ้านจะเมืไรกดเมื่อกี้นี้เอง อ, อากาศที่นี่สดชื่นแล้วเกินนะฮะอ้าวรอบที่นี่แล้วงั้นนะครับ ฉัรู้สึกชอบที่นี่ซะแล้วเออแปลกนะแปลกยังไงอ่ะก็เมื่อวันก่อนเอ็งยังบ่นบอกว่าเบื่ออยู่ที่นี่แล้วเห็นบ่นข้าวบ่นเย็นว่าอยากจะไปซะจากที่นี่ยังไงก็ต้องไปจากที่นี่ให้ได้เพราะเบื่อในการอยู่ที่นี่เลื้กเกินที่นี่ไม่มีอะไรน่าอยู่โอ้แล้วมาวันนี้ทําไมถึงได้เปลี่ยนคําพูดตัวเองซะละ่ะฮะพราะได้สัมผัสอากาศดีๆละมั้งพอเท่าถ้ารักธรรมชาติจริงๆแล้วก็ อยู่ที่นี่ได้สัมผัสเต็มที่แน่นอนแต่ถ้าไม่ชอบต่อให้มันวิเศษกว่าที่เห็นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเองว่าจริงไหมป้าพ่อเท่าเออแล้วเองจะอยู่ที่นี่ตลอดไปก็ได้นะอยู่ที่นี่นะเหรออืมพ่อเท่าอรุญาตผมอยู่ที่นี่ไปได้ตลอดเลยนะฮะอืมโอ้โหจริงๆนะคิดสว่าที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเองก็ได้ถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้ มันจะดูโสมโสมสกปรกโสโครกแค่ไหนก็ตามแต่คนบ้านนี้ก็ไม่เคยแรงน้ำใจยินดีและพร้อมที่จะต้อนรับเองนะขอบคุณครับพ่อเท่าคิดซะว่าพวกขาเคยทำบุญร่วมกันมาก็ได้เป็นญาติกันหรอเล่พ่อเท่าใช่หรือว่าเองยังรู้สึกรังเกียจพวกขาอยู่ล่ะอ๋อเปล่าครับพ่อเท่าเปล่าล่าอะไม่ได้นึกรังเกียจพวกขาแล้วงั้นหรอเมื่อคราพเฒ่า ออข้าดีใจนะเออที่เอ็งเปลี่ยนความรู้สึกไปในทางที่ดีได้ผมก็ต้องขอบคุณพวะเท่ดาด้วยฮะขอบคุณอะไรข้าล่ะก็ถ้าไม่มีพวะเท่าป่านี้ผมจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้ฮะพื่จะตายไปแล้วก็ได้ฮะข้าดีใจนะที่เอ็งคิดได้แบบนี้ครับพวะเท่าต่อไปนี่เอ็งอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปก็ได้พวกข้ายินดีจะให้เอ็งอยู่ขอบคุณครับพวะเท่าอืมอือืม อ๋อเกือบลืมน่ะอะไรครับพระเฒ่าเอ็งลองกินผลไม้ป่าชนิดนี้ดูสิเนี่ยโอ้ผมมาเริ่มเลยอ่ะอืมเป็นผลไม้ป่าออืรสชาติเป็นไงพระเฒ่าลองแกะกินดูก่อนสิครับก็ได้ฮะอ่ะลองกินสิเนื้อสีเหลืองอ่อนน่ากินจังเลยนะฮะอืมกินดูสิครับพระเฒ่าอือเป็นไงรสขาดพอกินได้ไหมล่ะรสหวานพระเฒ่าอืมมันหวานชื่นใจไหมล่ะครับ หวานชิจัยมากเลยอ๋อหมอเข้ามาหาเองนะอ๋อหมอมาท่านเหรอเออเอออสวัสดีครับพ่อเท่าเออเอสวัสดีหมอเออหมอมาดูอาการพนุ่มคนนี้แล้วครั บ, ว ส, รบสวัสดีครับหมอสวัสดีครับอาการเป็นไงบ้างหละ่ะดีกันเยอะแล้วครับหมออืนี่ขอตรวจ ด, ดูแผนหน่อยนะครับหมอท่านตรวจตรงนี้ได้ไหมฮะแล้วต้องเข้าไปตรวจในห้องให้หมอตรวจตรวจตรงนี้ก็ได้ครับ จะไรครับหมออ่ะช่วยถอดเสื้อเลยนะคุณเทพครับหมอ ไงครับหมออืมดีขึ้นมากเลยเนี่ยแผลดีขึ้นไหมหมอดีมากครับพอเท่านี่แสดงว่าดูแลแผลเป็นอย่างดีล้างแผลตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดเรื่องนี้ต้องยกความดีให้ศิลาวครับหมออ๋อศิลาเป็นคนล้างแผลคุณเทพเหรอเนี่ยครับศิลาดีเหลือเกินอ่ะผพงก็เป็อย่างนั้นแหละครับอืมฉีดยากันบาดแยกริสักเข็มนะครับคุณเทพครับหมอเจ็บนิดนึงนะไม่เป็นไรครับ ข่ะร <st> <yor cowork> er ู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกเลยหมอดีใจเลยครับพ่อเท่าก็พนุ่มคนนี้หายวันหายคืนนะสิตอนแรกข่าเป็นห่วงแทบตายนั่งภาวนาขอพรจากพระเจ้ามาช่วยดูแลคุ้มครองชีวิตพนุ่มแล้วก็หายวันหายคืนพนุ่มควรจะขอบคุณพระเจ้าที่ให้ชีวิตใหม่กับเองนาพระเจ้าหรอพ่อเท่าอืมใช่แล้วพระเจ้าทรงให้ชีวิตใหม่กับเองแล้วนาะเนี่ย